ใครๆก็อยากที่จะเป็นก้อนหินนะแต่ก็ไม่ใช่คนที่ปฏิบัติธรรมได้อย่างถูกต้องนะคนที่ปฏิบัติธรรมได้อย่างดีอย่างถูกต้องตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าท่านแสดงเอาไว้ให้ mm. ก็ไม่เป็นก้อนหินนะเพราะฉะนั้นคนที่ปฏิบัติธรรมแล้วมีความ มีการที่ได้รับผลจากการปฏิบัติธรรมได้อย่างดีได้อย่างถูกต้องเนี่ยเขาก็จะเป็นคนธรรมดาแหละไม่ได้เป็นใครที่ดูพิเศษขึ้นไม่ใช่ว่าจะมีมืองอกมาอีกมือหนึ่งสองมือสา ม, มือทำงานได้เยอะขึ้นหรือมีหูงอกออกมาอีก 2-3 ส, สามหู ให้มันฟังได้เยอะขึ้นหรือมือไม้มันหายไปหูมันหายไปตามันหายไปแล้วก็ไม่ต้องรับรู้รับทราบอะไรมันไม่ใช่แบบนั้นคนที่ปฏิบัติธรรมไปดีๆมันก็จะมีความเข้าใจตามความเป็นจริงที่มันเป็นสิ่งพิเศษขึ้นมาต่างหากแล้วก็ ผลจากกันที่ได้รู้ตามความเป็นจริงความพิเศษมันก็เกิดขึ้นอยู่ในจิตใจเนี่ยว่าจิตใจของเรามันมีศักยภาพที่เข้าใจแล้วก็ปล่อยวางได้ได้ดีนะเข้าใจแล้วก็ปล่อยวางได้ดีแต่ไม่ใช่ว่าปฏิบัติทาไปได้อย่างดี มือไม้ไม่มีขาแข้งไม่มีหูไม่มีตาไม่มีไม่ใช่เราไม่ได้ปฏิบัติธรรมเพื่อจะเปลี่ยนให้เรากลายเป็นก้อนหินเราปฏิบัติธรรมเพียงเพื่อที่จะเปลี่ยนใจตัวเองให้ให้มันเปลี่ยนจากใจที่มีแต่ความไม่รู้ ค่อยๆที่จะมีความรู้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนเป็นใจที่รู้แจ้งรู้แจ้งตามความเป็นจริงเข้าใจสภาวะต่างๆได้อย่างตามที่มันเป็นได้อย่างตามความเป็นจริงมันก็มีแค่นี้แหละแต่ส่วน จะมีความรู้พิเศษอย่างเช่นบวชหูทิบตาทิพหรื อ, อแปลงกายได้หรือออกเหินเดินฟ้าอะไรเหล่านี้เนี่ยในพระไตรปิฎกก็มีบุคคลประเภทนั้นนั่นแหละแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นสาธารณะสำหรับบุคคลที่ เสร็จงานในศาสนาอันนี้ซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยพระอระหันต์ก็มีตั้งสี่จนพวกแล้วจนพวกที่เยอะที่สุดก็คือสุขวิปัสสโกก็คือเป็นคนธรรมดาธรรมดานี่แหละที่รู้และเข้าใจสภาวะต่างๆได้ความเป็นจริงว่า เหล่านี้คือทุกเหล่านี้คือเหตุเกิดทุกเหล่านี้คือความดับของทุกแล้วก็อันนี้คือทางดําเนินนี้ถึงความดับไม่เหลือของทุกทก็เป็นคนธรรมดาเนี่แหละที่รู้แจ้งในอริยสัจ4อันนี้ได้อย่างดีรู้ว่าทุก เรามีหน้าที่คือกําหนดรู้ว่ามันเป็นทุกข์ไม่ใช่ว่าเห็นทุกข์แล้วเป็นสุขหรือว่าเห็นว่ามีความทุกข์แล้วก็ไปทําหน้าที่เกี่ยวกับทุกข์อย่างอื่นไม่ใช่คือการกําหนดรู้แล้วก็นอกจากที่ว่ารู้ว่าทุกข์เรามีหน้าที่คือ กำหนดรู้แล้วก็เราได้กำหนดรู้แล้วด้วยการงานมันก็จะมีเพิ่มขึ้นไปอีกที่ละเอียดละออก็คืออีกสองชั้นนอกจากว่ารู้ว่าอันนี้คือทุกข์แล้วเนี่ยรู้ว่าการงานของทุกข์ที่เราจะต้องทำกับมันก็คือกำหนดรู้แต่ก็ไม่ได้หยุดอยู่เพียงเท่านี้ อีกสเต็ปก็คือรู้ว่าต้องกำหนดรู้เราก็ได้ทำแล้วเพียงแต่ว่าบางทีเราไม่ได้ละเอียดไม่ได้รอบคอบมันก็จึงไปหยุดอยู่ตรงที่รู้ว่าทุกรู้ว่าทุกต้องกำหนดรู้แต่เรายังไม่ได้ทำไง กำหนดรู้คือใจเราเนี่ยกำหนดว่าอันนี้มันเป็นทุกข์แต่ถ้ามันกำหนดไม่ได้ไม่ได้ทำหน้าที่อย่างดีไม่ได้ทำหน้าที่ถูกต้องเนี่ยใจมันก็ไปอยู่กับความอยากซะหรือก็ไปอยู่กับเรื่องอื่นๆไปมันไม่ได้กำหนดรู้ว่านี่คือทุกข์รู้ว่ามีหน้าที่ที่จะต้องกำหนดรู้แต่เราไม่ได้ทำหน้าที่อันนี้ และเกี่ยวกับสมุทไทยคือเหตุเกิดทุกข์หน้าที่ของเราก็ต้องละมันรู้ว่าสมุทไทยคืออะไรก่อนและหน้าที่ที่มีต่อสมุทไทยก็คือเราก็ต้องละมันแต่ไม่ใช่หยุดอยู่ตรงชั้นที่ว่ารู้ว่าการงานที่เราจะต้องทำคือการละเท่านี้ไม่ถูก เราจะต้องละมันให้ได้ด้วยนีโรธคือความดับทุกข์เราก็รู้ว่าสภาวะความดับทุกข์มันมีหน้าที่ก็คือทําให้มันแจ้งขึ้นมาแล้วก็ทําให้มันแจ้งได้แล้วเนี่ยก็คืออันนี้ก็จบได้แต่ถ้ามันยังไม่แจ้ง มันก็ขึ้นชื่อว่ามันยังไม่จบงานทํา ง, ทงานอันนี้ได้ไม่จบในอริยสัจข้อนี้แล้วก็มักคือทางดําเนินนี่ถึงความดับไม่เหลือของทุกแล้วก็รู้ว่ามันมีอยู่พระพุทธเจ้าก็ได้แสดงเอาไว้แล้วเราเชื่อมัน่นเรารู้ว่ามันมีทางเดินอยู่แล้วหน้าที่กับทางเดินอันนี้ก็คือทาให้มันเจริญขึ้น แล้วเราก็ต้องทำให้มันเจริญขึ้นด้วยเท่านี้เนี่ยแหละก็เรียกว่าอริยสัจสข้อใช่ไหมแต่มีอาการ12มันก็แจกแจงได้อย่างนี้ซึ่งไม่ว่าจะเป็นพระอรหันต์ประเภทไหนก็ต้องทำแบบนี้ทั้งนั้น แต่ส่วนจะมีความรู้พิเศษรู้วาระจิตของคนอื่นรู้เหตุของกรรมที่ทำอันนี้เพราะเหตุกรรมอะไรรู้อนาคตรู้อดีตหรือหอหอเขินเดินฟ้าได้ระดึกชาติได้กี่สิบกี่ร้อยกี่พานกี่หมื่นชาติกันแล้วกันไกันไป อันนั้นก็คือเป็นประเภทที่ถ้าเทียบกับพระอรหันต์ที่ไม่ได้มีความรู้พิเศษก็มีน้อยส่วนพระอรหันต์ที่ไม่ได้มีความรู้พิเศษนี่ก็มีมากซึ่งบางทีเราก็ต้องเราต้องเข้าใจภาพลักษณ์ให้มันถูกต้องก่อน แต่ถ้าใครปรารถนาอยากจะมีความรู้พิเศษเป็นพระอรหันต์เป็นพระอาหารหันต์จำพวกที่มีความรู้พิเศษแต่ถ้าเกิดว่าคุณสมบัติของเรามันไม่ได้มีเพื่อที่จะไปเป็นแบบมีพิเศษความรู้พิเศษแบบนั้นเนี่ยมันก็เป็นเครื่องที่จะทำให้เราเนิ่นช้าไปเพราะว่า มันเหมือนเดินทางเส้นนี้มาแล้วแล้วก็ไม่พอใจอยากจะไปเดินอีกเส้นทางหนึ่งมันก็ต้องไปเริ่มใหม่เพราะฉะนั้นในพระติปิฎกเนี่ยก็มีให้เราเห็นอยู่เยอะแยะสำหรับบุคคลที่พร้อมที่จะบรรลุธรรมได้มีนิสัยแห่งพระอระหัต อยู่แล้วแต่ไม่สามารถจะบรรลุอรหันต์ได้เพราะอะไรเพราะว่าติดความปรารถนานี่แหละไม่ต้องอะไรมากก็ยกตัวอย่างาพระพุทธเจา้าสมณโคดมของเราเนี่แหละสมัยเป็นสุเมธาดาบทเนี่ยก็พร้อมแล้วมีอุปนิสัยของพระอรหันต์อยู่แล้วเพียงแต่ว่ามีความปรารถนา ที่จะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเชกเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าทีปังกอนเพราะฉะนั้นฟังธรรมมันก็เลยไม่สามารถที่จะบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้เพราะว่าความปรารถนามันก็กางกั้นเอาไว้ก็ต้องไปเดินทางเส้นใหม่จากสาวก ไม่อยากเป็นแล้วก็อยากจะไปเป็นสัมมาสัมพุท ธ, ธะก็เลี้ยวไปเป็นเส้นทางของประโพธิสัตว์เพื่อที่จะไปเป็นสัมมาสัมพุท ธ, ธะในวันหนึ่งครั้งหน้าเพราะนั้นทามมันก็โดนต่อออกไปให้มันยืดยาวออกไปแต่ก็ดีหน่อยตรงที่ว่าความปรารถนาในครั้งนั้นเนี่ย พระพุทเจ้าที่ปังกรก็ทรงเล็งพระยานแล้วก็เห็นถึงว่าความปรารถนานี้สามารถที่จะสําเร็จลุล่วงได้เป็นบุคคลที่มีความพร้อมมีกําลังใจที่จะไม่ล้มเลิกงานการสร้างบุญบารมีสั่งสมบารมีแล้วก็จะได้สําเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งก็จึงได้พยากรณ์ ก็จะได้เป็นพระพุทธเจ้าทรงพระนามวโคดมนี่แหละซึ่งก็เป็นพระพุทธเจ้าของของเราดีซึ่งท่านก็แสดงมาให้ดูแล้วเนี่ยว่าเงื่อนเงื่อนไขของการที่จะเป็นสัมมาสัมพุทธะเนี่ยมันกว่าจะมาเป็นได้มันก็ไม่ง่ายตั้งเวียนเกิดเวียนตายสั่งสมบุญบารมีมา ขึ้นสูงบ้างไม่ใช่ว่าคนที่ว่าปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วจะอยู่แต่สุคติภูมิอย่างเดียวไม่ใช่นะมันก็ต้องเป็นไปตามผลของกรรมนี่แหละทำดีบ้างทำชั่วบ้างกรรมชั่วให้ผลมันก็ต้องไปลงนรกไปสู่ทุกติช่วงไหนกรรมดีให้ผลมันก็ไปสุคติไปเสวยเป็น เทว ด, ดาเป็นพรหมอะไรไปกว่าบารมีจะเต็มก็นูน่นแหละสี่อสงไขกับแสนมหากรัก็ยืดยาวนานมาก อ, อสงไขเนี่ยมันก็มาจากอสังขยะสังขยะก็แปลว่านับตัวเลขการ น, นับอ่ะก็แปลว่าใหม่ก็คือนับ ไม่สามารถที่จะนับได้เพราะอะไรเพราะมันเยอะมากนับไปนับไปนับไปนับไปนับไปจนเอานับถึงไหนแล้วต้องสี่ครั้งนะอสังขยะสี่อสงไขยถ้าเราบอกอินฟินิตี้ก็คือไม่สามารถจะนับได้ น, นี้มันอินฟินิตี้สี่ครั้งไงนะ มันยืดยาวนานมากเพราะฉะนั้นความยืดยาวนานอันนี้เนี่ยมันก็ทำให้เราจะต้องมารับทุกเวียนวนอยู่อย่างยืดยาวนานน่ะแบบนี้แค่เราไตรตรองใคร้ครวรในชีวิตเราเฉพาะชีวิตเดียวนะชาตินี้เนี่ยมันก็มีเรื่องวุ่นวายพอแรงอยู่แล้วซึ่ง อันนี้มันก็ยังดีตรงที่ว่าเราเกิดมาในภพชาตินี้เนี่ยเราก็ไม่ได้เป็นคนที่มีกรรมให้ผลอะไรมากก็มีบุญให้ผลซะเยอะใช่ปัจจัยสี่เราก็มีเพียงพออยู่บริบูรณ์อยู่ตามฐานะของตนเกิดมาก็มีอวัยวะครบสามสิบสองไม่ เป็นคนพิกลพิการสมองก็ยังดีแถมมีกำลังใจมีความเห็นที่มุ่งหน้าตรงสู่ความพ้นทุกข์ได้พบเจอพระพุทธศาสนาได้มาฝึกหัดได้มาฟังธรรมเงื่อนไขมันดีดีไม่รู้จะดียังไง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็จะเห็นได้ว่ามันก็ยังมีความทุกข์ที่เรารู้สึกว่าเราทนไม่ได้เรายังอยากที่จะพ้นออกจากวัตฏะวนวังวนของความทุกข์ทั้งแ ท, ที่เราก็เป็นบุคคลประเภทถ้าจะเทียบกับคนอื่นๆ น, นะกระทุกน้อยอยู่พอแรงแล้วถ้าเราลองไปเทียบกับพวกที่อยู่ ศา ส, สนาอื่นมีความเห็นมีความทิฏฐิที่มันไม่ได้ตรงต่อเหตุปัจจัยเพื่อที่จะพ้นทุกข์ได้อย่างดีมีความคิดที่ไม่ได้เป็นไปเพื่อหลีกออกจากกามไม่ได้มีความคิดเพื่อที่จะไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่เบียดเบียนตน เหล่านี้เนี่ยมันก็ทำให้เห็นว่ามันวุ่นวายกว่าอีกมันในข่าวตอนนี้ปะทวงกันเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราลองไปอยู่แบบนั้นเป็นแบบนั้นเนี่ยชีวิตมันวุ่นวายอีกหลายเท่าตัวแต่ความทุกนี้ทั้งหมดทั้งมวลที่เราเจอเนี่ยมันก็ไม่ได้มากมายอะไรถ้าเราไปเปรียบเทียบกับ คนอื่นๆที่เขาสวยผลวิบากที่มันมาจากปรับกรรมให้ผลนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าถ้าเทียบกับคนอื่นแล้วเนี่ยเราทุกน้อยก็จริงแต่เราก็ยังรู้สึกทนได้ยากทนลำบาก มันจึงควรควรแล้วถึงเวลาแล้วที่เราจะเห็นโทษให้มันลึกซึ้งเข้าไปถึงใจเราว่าการที่เราเกิดมาเนี่ยมันไม่ได้มีแต่ความทุกข์ก็จริงมันก็มีความสุขตามอัตภาพอะ่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็เป็นความสุขที่มันไม่ได้มากมายอะไร ถ้าเราเทียบกับความสุขที่เราได้หลีออกจากกามเป็นความสุขในภายในหรือแม้แต่การที่เราไม่ต้องกลับมาเกิดอีกก็ไม่ต้องกลับมาทุกแบบเดิมซ้ำาๆซากๆอีกมันมีมันเป็นความสุขที่มากกว่ามากมากกว่ามากแต่กิเลสมันก็จะพยายามให้เราเห็นนั่นแหละว่าความสุขที่ พระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบว่าเป็นความสุขน้อยมีคุณน้อยมีโทษมากให้เรารู้สึกว่ามันเป็นความสุขที่ใหญ่โตเป็นความสุขที่ของดีอ่ะเป็นของดีแล้วก็ไม่ได้รู้สึกถึงความเป็นพิษเป็นภยัยเป็นโทษที่มันจะตามมาภายหลังแต่ถ้าเราได้เห็นนะว่า สิ่งเหล่านีนะ้มันเป็นสิ่งที่มันไม่จีรังยั่งยืนมันเป็นสิ่งที่ดีในเบื้องต้นก็จริงแต่ในท้ำกลางและที่สุดเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นเป็นคุณประโยชน์อะไรมันไม่ได้มีสาระเกยียรสารอะไรแถมนำซ้า ส, สุดท้ายปลายทางนำทุกข์มาให้เราอีกเราก็ต้องหมั่นที่จะเตือนตน บ่อยๆ อ, อย่าให้หลงไปกับกิเลส ท, ที่มันคอยชักจูงความคิดเราอย่าให้มันมาคอยชักนำความเห็นให้เราออกนอกทางเห็นเรื่องว่าทุกเป็นสุขสุขเป็นทุกข์เหล่านี้เพราะฉะนั้นเราก็พยายามปฏิบัติไปนั่นแหละปฏิบัติไปปฏิบัติไป แต่อย่างน้อยที่สุดภาพลักษณ์ของการปฏิบัติของเรามันก็ควรจะต้องถูกต้องด้วยนะถ้าเราปักธงที่มันไม่ตรงต่อสภาวะตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับเรามีมีเข็มทิศอะที่มันชี้ไปผิดทางอะมันก็ไม่ได้ผลอย่างที่เราตั้งใจคาดหวังมุ่งหมายเอาไว้ เพราะฉะนั้นภาพลักษณ์มันก็จะต้องให้มันถูกต้องถูกตรงด้วยซึ่งพระอราหันต์คือบุคคลที่ปราศจากความทุกข์เขาก็เป็นบุคคลธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งนั่นแหละปวดหัวตัวร้อนเป็นมีตามันก็มีเรื่องเข้ามาทางตามีหูก็มีเรื่องเข้ามาทางหูแต่สุดท้ายมันก็ต้องพยายามที่จะ บริหารจัดการในภัรษาต่างๆเหล่านั้นไม่ให้กระทบกระเทือนจิตใจถึงแม้ว่าจะเป็นระดับสัมมาสัมพุท ธ, ธะอย่างพระพุทธเจ้าเราเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าพอทรงรู้แจ้งในสัจธรรมได้กลายเป็นสัมมาสัมพุท ธ, ธะเกิดขึ้นแล้วเนี่ย จะเรื่องวุ่นวายทั้งหลายมันจะหมดไปหมายถึงภายนอกนะมันจะหมดไปมันไม่ไม่ใช่นะเราก็จะเห็นว่าข้อสอบหนักๆก็มีอยู่ตั้งหลายอย่างที่เขาแสดงเอาไว้ในตำราถึงขนาดที่ทำให้าศาสนาที่พระองค์ประกาศถึงขนาดที่จะทำให้ งานหรือขนหมู่สัตว์ให้พ้นออกจากทุกเนี่ยมันล่มไปได้นะอย่างเช่นนางจินจัมมานาวิกายเงี้ยมากล่าวตูพระพุทธเจ้าว่าทำตัวเองอะท้องซึ่งมันก็จะเห็นได้ว่าถ้าเกิดคนต่างๆเนี่ยเกิดหลงเชื่อขึ้นมา จริงๆแล้วเนี่ยศาสนาก็ไปไม่รอดนะคนก็จะคลายความศรัทธาคลายความเชื่อที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้างานของพระองค์ก็จะเพื่ไงเหมือนโดนระงับโดนเตะขัดขาไปเลยล้มเหลวไปเลย งานที่อุตษาหบัมเพ็นเพียนมาตั้งสีอสงไขยแสนมหากรัปเพื่อที่จะมารื้อขนหมู่สัตว์ให้หลุดออกจากวังวนของความทุกข์อันนี้ไม่ได้นับถึงตอนที่ทรงบัมเพนนะเพราะว่าอันนั้นมันช่วงบัมเพนอันนั้นก็แลกเป็นแลกตายกันแหละแต่หมายถึงว่าไม่ใช่ว่าพอแลกเป็นแลกตาย แล้วก็ได้บรรลุธรรมเป็นสัมมาสัมพุทธะแล้วเนี่ยจะชิวๆทำอะไรก็ไม่มีอุปสรรคหรือไม่มีอะไรมากระทบกระเถือนไม่ใช่เขาสอบก็ยิ่งหนักเข้าไปตามบา ร, รมีนั่นแหละเราจะทำงานใหญ่งานที่จะต้องรื้อขนหมู่สัตว์ให้พ้นจากทุกเนี่ยเป็นงานที่ ไม่ใช่ว่าใครๆก็ทำได้ก็ต้องสัมมาสัมพุท ธ, ธะนี่แหละผู้มีบารมีมากบารมีทั้งสิบเนี่ยมันเต็มรอบในระดับสัมมาสัมพุท ธ, ธะมันจะไม่ใช่กลว่าเป็นสัมมาสัมพุท ธ, ธะแล้วก็เหมือนก้อนหินก้อนหนึ่งที่จะไม่มีอะไรเข้ามาจางังตาหูจมูกลิ้นกายหรือแม้ความคิด ไม่มันไม่ใช่อย่างนั้นก็เป็นคนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งเหมือนกันป่วยไข้ก็ได้เห็นไหมตอนที่จะก่อนเสด็จดับขันบริณิพานก็ทรงประชวรเหมือนกันถ่ายเป็นเลือดเลยเราก็จะได้เห็นว่าท่านก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งเหมืนเหมือนกับเราเหมือนกัน เพราะฉะนั้นเราก็จงเป็นคนธรรมดาธรรมดาอย่าไปเป็นพวกซ u เปอร์ฮีโร่อะไรหรือไม่ต้องมาเป็นผู้วิเศษอะไรเราก็ให้เป็นคนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่เราจะมุ่งมั่นไม่ย่อท้อต่อการที่เราจะรักษาจิตใจเราก็พยายาม มีสติใคร่ครวนพินิษย์พิจารณาไม่ให้กิเลสมันมาหลอกเราได้เป็นคนธรรมดาธรรมดาที่มีกรอบของชีวิตที่ยังอยู่ในอริยมรรคมีองค์แปดจริงๆแล้วเป็นคนธรรมดาธรรมดาเนี่ยมีความสุขนะ ใครบอกว่ามีความสุขระดับพระราชามหากัตรมีความสุขมากพอไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราจะรู้เลยเป็นคนธรรมดาธรรมดานี่แหละมีความสุขมากไปอยู่ในแบบที่เป็นคนชั้นสูงเงื่อนไขของการที่จะอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันก็ไม่ง่ายหรอกมี กฎระเบียบข้อบังคับที่จะต้องหนึ่งภาพลักษณ์ต้องดีทำอนุนันนี้เราก็ต้องเป็นแบบอย่างให้ผู้คนอยากจะไปตรงนั้นอยากจะไปตรงนี้อยากจะทำอันนั้นอยากจะทาอันนี้บางครั้งมันก็ไม่ได้อย่างตั้งใจแหละเป็นคนธรรมดาธรรมดาดีกว่าสบายกว่าตั้งเยอะอยากทำอะไรก็ทำได้ ขอให้มันไม่ผิดศีลผิดธรรมแล้วก็มีโอกาสที่มันกว้างขวางอ่ะถ้าเราเปรียบเป็นภูเขานะพื้นที่ตีนเขามีเยอะแยะแต่ถ้าเราขึ้นไปอยู่บนยอดเขาปลายแหลมๆ ห, หน่อยกระดิกตัวมันได้นิดๆหน่อยๆเท่านั้นแหละ มันสูงแต่มันคับแคบเราเป็นคนธรรมดาอยู่ตีนเขาอยากไปไหนก็ไปสบายๆขอให้มีกรอบที่ดีมีเครื่องดำเนินที่ดีว่าชีวิตมันเป็นอิสระกว่ากันมากและสิ่งที่ ขาดไม่ได้ของการปฏิบัติธรรมของผู้ปฏิบัติธรรมก็คือพิจารณาให้มันเห็นโทษเห็นภัยในวัฏฏะนี้อยู่เรื่อยเป็นสิ่งจำเป็นเพราะการที่เราไม่เห็นโทษอะ่ะมันก็ไม่เห็นถึงความไร้สาระไม่เห็นถึงการที่เราจะต้องออกออกมาหรือปล่อยวางในสิ่งเหล่านั้น มันก็ต้องพยายามที่ทำบ่อยๆทำให้มันมากๆเจริญให้มากๆภาวิตาพหูลีกตาทำให้มันมากๆเจริญให้มันมากๆเจริญนี่คือเจริญธรรมธรรมะนะไม่ใช่ว่าเจริญกิเลสให้มันมากๆนี่ก็ไม่ใช่นะ ความสุขในแบบโลกโลกเราก็รู้แต่เราก็ไม่ประมาทมันมันอยู่บนโลกมันก็ต้องใช้โลกอยู่ในโลกสมมุติก็ต้องอยู่ใช้โลกสมมุติเพียงแต่ว่าอยู่แล้วเห็นโทษเราก็จะได้ประพฤติปฏิบัติตัวได้อย่างเหมาะสมขึ้น ไดอย่างกลมกล่อมขึ้นโดยที่มีพิษมีภัยมีโทษกับเราน้อยลงแต่การที่เราพิจารณาเห็นโทษแล้วเนี่ยทําบ่อยๆก็ต้องคอยระวังอ่ะเพราะยิ่งเราเห็นโทษบ่อยๆกิเลสมันก็แทรกได้เหมือนกันไม่ใช่ว่ามันมันจะยอมแพ้เราโดยไหนเดียว ยิ่งเห็นโทษมากเท่าไหร่ความอยากมันก็แทรกเราได้ดีเท่านั้นแหละเห็นโทษมากเราก็อยากจะไม่ต้องยุ่งไม่ต้องเกี่ยวมากขึ้นไปตามลำดับนั่นแหละเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่มันควบคู่ไปกับการที่เราเห็นโทษ ที่เราได้จากการพิจารณาก็คือใจที่รู้เท่าทันมันใช่ไหมเข้าใจในเหตุผลและรักษาความเป็นกลางของใจให้ได้ถ้าใจมันเป็นกลางอยู่ได้อันนี้ขึ้นชื่อว่าเราปลอดภัย แต่ความเป็นกลางกับความเป็นก้อนหินนี่มันไม่เหมือนกันการเป็นก้อนหินมันก็เป็นนักหลบอ่ะไม่อยากจะโดนกระทบกระเทือนอะไรทั้งนั้นพอเป็นก้อนหินก็สบายดีแต่คนที่เขาเข้าใจเขาก็รักษาใจให้เป็นกลาง มีอะไรเข้ามาเข้าใจมันแล้วก็ปล่อยปล่อยมันก็เป็นกลางได้